ก็เรามาคอยย้ายมันตรกนีกันแล้วกันเนาะตัวนี้ไปคอยถวายทีหลังไปไว้หน้า่อันนี้ดีกว่าขอนั่งตรงนี้ก็ขอสวัสดีคณะคุณครู ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ในคอร์สนี้เป็นคอร์สพิเศษนะพนั่งตามสบายพอพิเศษก็ขอต้อนรับเป็นทางการเรามาหรือใครที่นี่อายุ67ขึ้นบ้าง 67-68 มีไหมหนึ่งท่านอาจารย์60ครับ <65. S 1> 60นะอาจารย์เท่าไหร่ ้าสิปเป็นพี่อาตมาปีหนึ่งไม่อตมาตมจะได้ใช้คำว่าหลวงพ่อบางบางครั้งนะหลพ่อก็ <g år> จริงได้มาทำงานตรงนี้สองสามปีแล้วเนยะก่อนที่จะย้ายมาที่นี่ก็มาทำที่โรงเรียนรุงอรุณสามสี่ปีได้กับอุบัติสมศินมาทำที่นั่นแล้วปรากฏว่า การอบรมไม่ใช่เฉพาะคณะครูและนักเรียนเท่านั้นมีคนภายนอกเข้าไปร่วมด้วยจํานวนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาจารย์ประภา ภ, าภาทัทรเลยมาสร้างที่ตรงนี้วเราก็เลยมาใช้ตรงนี้ก็วันนี้เราเริ่มต้นโดยการสวดมนต์ยิงหนังสือเก็บแล้วนะความจริงสาธิตเน่ยวันนี้เราสวดมนเพื่อเราเริ่มต้นปฏิบัตินะปฏิบัติโดยการสวดมนต์สวดมนต์นี่เป็นการบริกรรมวาภาวนา เรียกว่าสมาถภ า, ภาวนาทําให้เราจิตใจจดจอ่อกับสิ่งที่เป็นกุศลไหวพระพุทธประธรรมประสงค์เสร็จแล้วถ้าจะถามว่าทําไมได้ไหวพระยาวจังบางคนแค่ว่ า, น, าวนิดเดียวใช่ไหมกลับวันนี้ทําไมไหวยาวก็เพื่อเป็นการสรรเสริญสรรเส ร, ริญคุณของพุทธเจ้าเพราะคนทั่วไปก็ชอบการสนรเสริญทีนี้เราอยากจะให้คนสรรเส ร, ริญเราบ้างเราก็ต้องสรรเสริญ คนอื่นก่อนที่เราสวดทั้งหมดคือการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่ อ, อผู้สรรเสริญผู้อื่นก็ย่อมได้รับการสรรเสริญตอบปฏิวัตวันณโกปฏิวัตินทนาังผู้ไหว้ผู้อื่นก็ได้รับการไหวต้ตอบหลังจากเราสรรเสริญพระพุทธพระพธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็มาสวดสมทานศีลเริ่มต้นโดยพุทธทางสนังกัจฉามิรับพันธะไตรัยซึ่งเราสวดไปแล้วพอรัพันะไตรัพุทธทางธรรมังสังขัง สามครั้งแล้วก็เราก็มาสมทานสินแปดเราจะรับสินห้าีรืสินแปดดีงานนี่เข้ากรรมฐานเสียเขารับสินห้าหรือสินแปดสินแปดเนา ะ, ะสินแปดไม่ใช่แปดเปื้อนนะสินแปดข้อนะเพราะฉะนั้นก็ทั้งนี้เพื่อเราเพิ่มขึ้นอีกสามข้อนะคพมอีกสามข้อทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ เป็นสีนี่เหมือนเหมือนรั้วนะป้องกันไม่ให้เราไม่ให้ใจของเราออกไปข้างนอกไม่ให้กายวาจาของของเราไหลออกจากกายของเราให้อยู่ในขอบเขตมันมันเป็นมันเป็นกติกาหรือเป็นกฎธรรมชาตินะเป็นกฎธรรมชาติเหมือนเราหนึ่งข้าวเนี่ยถ้าเราไม่ปิดฝาเราหุงข้าวถ้าไม่ปิดฝานี่จะสุกไหมก็สุกยากนะใช่ไหมปิดฝาเพื่อให้เกิดความอุณหภูมิมันพอดีเพราะฉะนั้นการ รักษาศีลคือรักษากายว่ า, จาใจให้มันอยู่ในกายให้อยู่ด้วยกันนั่นเองแหะรักษาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วเราสมทานศีลเสร็จแล้วก็วิธีที่จะทําให้กายว า, จาใจอยู่ร่วมกันท่านก็สวดต่อมาบอกว่ามโนปุพังคมานาธรรมามโนเสรษามโนมรยาใช่ไหมมานาซาปทุเทนาภาสติวากโรติวตะตโตนังทุกมโนเวติจักังวะวาหาตูปะทัง บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกในจกักรวาลมีใจเป็นหัวมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างมาจากใจแม้แต่พระเจ้าใจก็เป็นผู้สร้างใช่ไหมนะแต่ว่าตำราของอื่นถือว่าพระเจ้าสร้างจิตแต่ความจริงแล้วคือจิตคือสร้างพระเจ้ า, าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็น พ่อของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สรรเสริที่ใจถ้าใจถ้าใครมีใจชั่วแล้วพูดทําคิดก็ถือว่าชั่วไปหมดสิ่งที่ตามมาคือทุกข์ก็จะติดตามเหมือนกับเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคอันนี้กรรมาฐานบทที่หนึ่งนะคือการรักษาใจไม่ให้มันตกเป็นที่ดำอันที่สองอเราจะรักษาใจเพื่ออะไร แล้วก็สวดบทตอบมาว่าโยทางมังปัสสติโซมังปัสสติยโยมังปัสสติโซธรรมมังปัสสติโยธรรมมังปัสสติโซปฏิจจะสมุทังปัสสติว่าผู้ใดเห็นตัวเองคนนั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้ า, ผ, าผู้นั้นคือเห็นตัวเองผู้ใดเห็นธรำผู้นั้นคือเห็นเกิดเหตุเกิดทุกข์ ผู้ใดเห็นเหตุเกิดทุกข์ผู้นั้นก็เห็นตัวเองอันนี้คือบทกรรมฐานนะ่ะวิธีที่จะให้กายกับใจเป็นอันเดียวกันที่เราสวดบทต่อมาแต่ทีนี้จะทําไงท่านก็สวดบทต่อมาว่าตุมเฮหิกิจังอาตปังอาฆาตาโรูตะท่าคตาปฏิปัณาประโมกขันติชายินโนมาระพันธนาพวกท่านทั้งหลายต้องทําเอาเองตุมเฮหิกิจังนะแต่เราตะถาคตเราคือครูบาอาจารย์ เป็นเพียงผู้บอกเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นพวกคุณครูทั้งหลายก็เป็นผู้ชี้ทางให้เด็กใช่ไหมแต่การพยายามที่จะเรียนได้จบไม่จบอยู่ที่ตัวเด็กละไม่อยู่ที่ตัวครูตัวครูเป็นผู้ชี้แนะแล้วก็ปฏิปนาประโมกคันติชา ย, ยนมาราพันนาผู้ใดมีความตั้งจิตตั้งใจทําอย่างจริงจังในการทําด้วยตัวเองอย่างจริงจังอย่างถูกต้องจริงจังตั้งใจถูกต้องและต่อเนื่องทนนั้นก็จะพ้นจากความทุกข์และปัญหาทั้งหมดทั้งมวล อันนี้ก็คือเราสมัทรานกรรมฐานสามบทที่ผ่านมาเมื่อกี้นะเอากติกาขึ้นโปรเจคเตอร์ให้หน่อยหน้าเดสท็อปนี่ตารางว่าวันจะทำอะไรบางที่ทำอะไรบางแต่ละวันที่ไม่ได้มาเพิ่งมาเมื่อวานไม่ได้ไม่เอาไฟล์ดอกให้กับเจนะ้าหน้าที่ปริ้นแจกก็เอาขึ้นโปรเจคเตอร์อ่านพร้อมกันเรียนพร้อมกันไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากหลายอย่างนะ ทีนี้เราเพิ่งมาพบกันส่วนใหญ่เราก็คงยังไม่รู้พวกหลวงพ่อหรืออาตมาก็ไม่รู้จักโยมโยมก็ยังไม่รู้จักอาตมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําเบื้องต้นคือทำอยังไงก่อนขอรู้จักด้วยการแนะนําตนเองใช่ไหมก็แนะนําแต่ละคนแต่ละท่านไปคนละนาทีสองนาทีให้รู้จักกันแล้วเมื่อเรารู้จักกันดีแล้วเราก็จะรู้จักว่าใครต้องการอะไรแล้วก็รู้จักใจกัน การูรู้จากจใจก็รู้จักกายรู้จักวาจากนันก่อนนะดังนั้นเองในข้อนี้เป็นข้อพิเศษซึ่งตามบุตรแล้วนะจะมีคนข้างนอกมาร่วมมากมายนะข้อได้สามสิบสี่สิคนข้อนี้อาจารย์เอกตอนแรกว่าสักหกสิคนคัดไปขั้นมาเหลือแค่ยี่สิบคนนะคัดเลือกแล้วนะที่มานี่นะเมื่อคัดเลือกมาแล้วจะเป็นไงจะเข้มข้นไหมก็คงจะได้รู้กันภายในห้าวันนี่แหละนะซึ่งก็ ในเรื่องของการที่เรามาทําอย่างนี้ทําเพื่ออะไรเนี่ยเบื้องต้นที่สุดมิก่เราเอ่อยคํากล่าวสมทานไตรสนาคมขึ้นต้นว่ายังไงนะจําได้ไหมคาว่าไตรสนาคมคุณครูทั้งหลายต้องรู้จักเนาะคําว่าไตรสนาคมคือคืออะไรเริ่มต้นด้วยอะไรถ้านักเรียนสมมติาามาเป็นนักเรียนนะท่านเรียนถามอย่างเงี้ยเราจะตอบว่าไงว่าไตรสนาคมคืออะไร ทำไมต้องว่าสามครั้งขึ้นต้นด้วยอะไรคุณครูไตสนนตมขึ้นต้นด้วยอะไรทุกคนว่าได้นะไปทุกงานก็ว่าทุกงานเลยใช่ไหมว่าอะไรนะอ้าพุทธังพุทธังแสดงกัชฌามิอ่ า, า, ร า, อาเราลืมต้นตรงนั้นคําว่าพุทธังหมายถึงใครคําว่าพุทธังหมายถึงหมายถึงพระพุทธเจ้า อันนี้ก็าเรียกส ำ, สำหรับเด็กปรฐุมนะสับพุทธเแต่ถ้าหากพูดทางในระดับเราแปลว่าผู้อะไรนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้หมายถึงพุทธเจ้าแต่ใครเป็นคนผู้ค้นพบภาวะรู้ตื่นเบิกบานเจ้าชายสีธาตุเป็นผู้ค้นพบว่าอ๋อทุกคนมันมีตัวพุทธะอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพุทธะทุกคนเป็นอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครค้นพบมาก่อนท่านเอง แต่ว่ามีข้อจำกัดจากัดความว่าด้วยธรรมเดฟิชันว่าต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมความจริงเราทำมันอื่นก็รู้ตื่นเบิกบานได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ด้วยธรรมอาจจะด้วยกิเลสตัณหาอวทานอะไรก็แล้วแต่นะนันเองใน <c oughs> ตารางเนาะตลรางตารงเพื่อที่จะได้รับรู้ร่วมกัน ดังนั้นในการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นี่จะทำอย่างไรอย่างไรบ้างว่าพูดทางสารนังคัตฉามิแปลว่าข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งภาวะรู้ตื่นเบิกบานเป็นที่พึง่งถามว่าเราทั้งหลายมีภาวะรู้ตื่นเบิกบานหรือยังเป็นที่พึง่งสารณะอืใครจะรู้จักว่าสารณะมาจากอะไรก็จะเป็นการถามลึกไปเนาะสารณะ คำว่าสาระกับสติเนี่ยเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวคำว่าสาระกับสติเป็นตัวเดียวกันคือหรือคนละตัวเอถ้าว่าตัวเดียวกันมันก็เขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนละตัวมันก็ความหมายอันเดียวกันจะว่าไงคำว่าสาระเนี่ยมันมาจากคําว่าสระเท่านั้นสระที่แปลว่าสระที่ว่าขอสอขอสลาราเรืออ่านว่าไง สคอยซาลารถเรืออ่านว่าสอนใช่ไหมถ้าเติมหน้าเข้าไปเป็นสรณะเพราะฉะนั้นธาตุเดิมมาจากคําว่าศอนนะคำว่าสารณะตัวนี้นะสอนแปลว่าอะไรแปลว่าแอโร่啊<笑>สอนแปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งแปลว่ายิงแต่เดวนี้สอนมาเปลี่ยนมาเป็นอะไรเป็นลูกปืนใช่ไหมเป็นบุลเลตละ ทำไมเอาจึงคําว่าเอาสาระมาแปลว่าลูกศรมาแปลว่าลูกปืนมาแปลว่าเพราะมันแปลว่าแล่นมันแปลว่าวิ่งมันแปลว่าไปให้เร็วที่สุดไปให้ไกลที่สุดไปให้ตรงเป้าหมายที่สุดคําว่าสระเอาจึงมาแปลว่าสอนเขายืมภาษาภาษาอินเดียเขาเลยืมมาใช้คําว่าสอนเนี่ยมาใช้คําว่าสระแต่พอลงณปัจจัยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสาระนักนี่เป็นธาตุเดิมนะธาตุเดิมคือสระคือส เสือหรือสค อ, อสลาร์หลือถ้าเป็นสันสกีก็เป็นสอขอยสระถ้าเป็นบาลีก็เป็นสระสเสือพอลงหน้าปัจจัยแต่เป็นรากเดียวกันคาว่าสติแต่มาลงปัจจัยคนละตัวพอลงติปัจจัยเนี่ยมันมีกติกาว่าติตรงนี้ไปทําลายธาตุมันตามตัวหลังตัวไหนก็ตามมันจะฆ่าด้านหลังเขาเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นสระติมันกลายเป็นสารอะไรกลายเป็นสติเพราะมันกินหล่อเรือไว้ นะเพราะฉะนั้นคําว่าสติจึงแปลว่าอะไรพูดทางแสดงคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรเป็นที่พึง่งเพราะนั้นสติจึงแปลว่าที่พึง่งข้าพเจ้าขอถึงซึ่งสติว่าเป็นพุท ธ, ธะขอถึงซึ่งภาวะรู้ตื่นเบิกบานเป็นที่พึง่งแต่ท่านก็เติมเข้าอีกคำหนะึ่งเป็นที่ระลึก เป็นที่ถึงเป็นที่รึกเพราะฉะนั้นงานนี้เราทั้งหมดเราจึงมาเจริญตัวเดียวคือมาเจริญสตินะแล้วก็ภาคทฤษฎีทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเป็นครูอาจารย์นะรู้มาหมดแล้วมันอะไรเป็นอะไรแต่ว่าอยากจะให้มาลงภาคปฏิบัติซึ่งเมื่อก่อนนมาก็เรียนภาคปฏิบัติมาเยอะแยะแต่ว่าความทุกข์ท่วมหัวความทุกข์ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดบางทีความทุกข์ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอะไรสองอย่างนะในที่สุดเราก็ แปลงปริยัตทั้งหมดมาแปลงเป็นปฏิบัติเขาแปลงบาเป็นปฏิบัติก็เหลือคำคำเดียวคำว่าสติมาทำความหมายเขาเนี่ยสติให้รอบด้านให้เป็นจริงตัวเดียวเรามีที่พึ่งตลอดชีวิตเลยทีนี้ทีนี้จะทำอย่างไรอันนี้ก็มีกติกานะตามกติกานะี่แหละอันที่หนึ่งอะไรนะรักษาศีลแปดก่อนเนาะที่รัาษามมาเมื่อกี้คือกติกานี้รักษาศีลแแล้วเราไปทาอะไรดี ก็ต่อไปเลยนะอันนี้ละจบไปละขอโทษเลื่อนขึ้นไปบอกว่าเออถ้ารักษาสิ้นห้าไม่ไหวขอไปรักษาสิ้นแปดนอกจากรักษาสิ้8แปดแล้วก็รักษาความเงียบความเงียบอย่าพึ่งไปไว้ดิความเงียบมีสามอย่างเงียบใช้ตรงกับควาว่าวิเวกใช่มกายยิเวกอันที่หนึ่ง เรามาที่นี่เราแยกจากบ้านแยกจากเรือนแยกจากคู่หัวตัวเมียแยกจากการจัดงานทั้งหมดมาอยู่ด้วยวิเวกกายเพราะฉะนั้นกายวิเวกมันก็จะเป็นสปายะสำหรับที่เราจะต้องไม่เกี่ยวข้องวุ่นวายกิจการงานอะไรต่างๆภายใน5วันเนี่ยเหมือนถ้าเราลาไปต่างประเทศหรือลาไปอะไรสักอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องโดยผู้โดยคนเนี่ยเราลองมาฝึกตัวนี้อยู่ด้วยกายวิเวกอันที่สองจิตวิเวก นะให้สงบให้วิเวกจิตคือทําจิตให้มันวิเวกคําว่าวิเวกแปลว่าสงบหรือแปลว่าสงัดบางทีเขาว่าสมาธิแปลว่าสงบสมถะแปลว่าสงบเราวิเวกกับมันต่างคําว่าสมถธาสงบยังไงวิเวกวิวิจนะเพราะนั้นวิเวกกายก็คือสงัดกายอาจจะอยู่ในที่สงัดแล้วก็ อันที่สองคือไม่เกี่ยวข้องด้วยผู้อื่นวิเวกวาจาก็คือที่เราเห็นป้ายที่ข้างล่างว่าอะไรนะปิดวาจาแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ต้องถึงกับปิดแต่เพียงกระซิบกันเล็กๆ ก, ก็ได้คุยกันเบาๆได้อยู่นะแล้วก็มีคำหนึ่งที่เราไม่คุ้นใช้คําว่าอุปธิวิเวกสงัดจากความคิดนะสงัดจากความคิดและอารมณ์ต่างๆทีนี้จะทําได้ไม่ได้อันนั้นเป็นเพียงเป้าหมายของเรานะ แต่ว่าเราจะทําได้ไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามนะนี่ต่อมาเรื่องอาหารเราก็เราคงจะช่วงเช้ารับอาหารที่เป็นเบาๆรับอาหารเบาๆช่วงเช้ามามักจะเป็นอาหารเนี่ยข้าวตุ่มผักอะไรบ้างด้วยกลางวันมาก็จะรับพวกอาหารเบาๆ ก, นนก็คือผักผลไม้น้ำปั่นทำตรงนี้นนะสำหรับพวกเราก็ทานปกติช่วงเช้าเป็นข้าวต้มกลางวันก็เป็นข้าวหนัก ตอนเนาจจะมีน้ำเปลาน้ำเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นเรื่องของอาหารและเสื้อผ้าถ้าหากว่าใครมางานนี้อยากจะให้นุ่งเสื้อผ้าหลวมๆเพราะมันมีการนั่งหลายท่ามากเลยนั่งเปลีนนย่ยนที่โบสถ์ถ้าเสื้อผ้าเราลัดเนื้อรัดตัวเกินไปเนี่ยเข็มขัดลัดเนื้อรัดตัวไปก่อให้เกิดร่างกายไม่สบายอึดอัดเพราะวิธีการเจริญสติแบบที่เราทํานี้เป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ เจริญสติแบบนั่งนิ่งๆหลับตากำหนดลมหายใจเราจะไม่ใช่รูปแบบนั้นนะเราจะใช้รูปแบบเรื m อ v e like m e n t Meditation เราไม่ใช่ Silent Meditation เราใช้การเคลื่อนไหวเป็นเป็นนิมิตกรรมาฐานเพราะว่าไอสมาธาหรือทำสมาธิแบบ s i เรนมีดิเ t ชันเนี่ยเราทำกันมานานแล้วตลอดนาปุยาตายายบรรพุรุษเราทำมานานแต่ปรากฏว่าสำหรับยุคนี้มันไม่ <c oughs> มันไม่พอไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันไม่พอ ที่กำลังสติมันไม่พอที่จะเป็นที่พึ่งได้เราก็เลยเพิ่มการเคลื่อนไหวส่วนอื่นร่วมเข้าไปด้วยนะเราใช้อุบายนั้นเพราะนั้นอ่าเราก็ใส่เสื้อเลื้อลุ่มกางเกงลุมๆได้นะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นเสื้อยืดรัดเนื้อรัดตัวจนดูไม่ค่อยเข้าท่านะต่อไปจะมีอะไรบ้างาประจาวันก็คือตื่นนอนที่4ไหวไหมหรื อ, อทีส ที่สามครึ่งแต่ที่สามครึ่งฤๅก็ตื่นแล้วนะเอาตีสี่ก็แล้วกันนะตื่นนอนแล้วก็ตามพุทิถ้าหาก็เป็นคอร์สปกตินั่นก็เราจะตื่นที่3ามครึ่งอันนี้สําหรับผู้ใหม่เราให้ตีสีก็แล้วกันพอทีสามครึ่งเราทําพระสุน陀ตีสี่ถึงตีห้เนี่ยหลวงพ่อเราจะมาก็จะพาทําเจริญสติแบบองค์รวมคือหมายความบูรณาการทั้งกายทั้งจิตเข้าด้วยกันก็คือใช้คําว่าออกกําลังกายด้วยโยคะ ซึ่งก็ในเวอร์ชั่นของอาตมานะเวอร์ชันของคนอื่นเขาคงมไม่ทํากันนะเพราะว่าอาตมาได้รับบทเรียนมาก่อนว่าการเจริญสตินั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวบางทีมันไม่พอสําหรับการรักษาร่างกายพอมาได้สติอันหนึ่งแเอ๊ะทำไมครูอาจารย์สอนกรรมฐานมาลูกสิษย์หเต็มพานเต็มเมืองทําไมเวลาตอนตายเนี่ยไม่ค่อยสวยเลยใช่ไหม ไม่ค่อยสวยนั่งรถเข็นบ้างนอนเอามาพึกเอามาพาดป่วยกันห้าปีสิปีแล้วจะบอกวิบากกรรมเอ้ก ร, รมนี้ทำไมแก้ไม่ได้เราสร้างกรรมอะไรนักหนาถึงขนาดนั้นก็เลยว่ามาพิจารณาดูไปดูมาอ๋อครูบาอาจารย์ท่านเมื่ อ, อท่านปลดปรงุงปลดลงปรุงภาะแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ใชยึดมัน่นถือมัน่นร่างกายสังขารอะไรต่างๆาได้เท่าไหร่ก็ท่านก็ตายไป แต่มาดูแล้วเนี่ยท่านอุตส่าห์แสวงหาไัยธรรมมาตลอดชีวิตเมื่อเข้าถึงไสยธรรมแล้วมีเวลาที่จะเผยแพร่ไสยธรรมที่สแสวงหาตลอดชีวิตได้เพียงสั้นๆแล้วท่านก็จากเราไปเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้สิ่งที่ดีๆจากท่านนั้นยาวนานใช่ไหมแทนที่จะอยู่ก็เราเป็น80 90ปีร้อยขึ้นอย่างเงี้ยทําไมรีบตายธรามะก็มาคิดเรื่องนี้นะว่ามันมีข้อหนึ่งทำ โมรักคติรักคติธรรมจารีธรรมโมฮเวรักคติธรรมจารีแปลว่าอะไรนะทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมเฮ้ทําไมผู้ประพฤติธรรมแล้วต้องเจ็บต้องป่วยแล้วต้องป่วยง่ายตายง่ายแหละทำไมไม่ตายอ่าเยอะ ย, ย, ย, ยืนหน่อยมาก็มาคิดถึงเรื่องนี้ว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนี่รักษาที่กายที่ใจอย่างเดียวคือรักษากายด้วยเขาต้องรักษากายด้วยใช่ไหม ป่วยยากเจ็บยากแล้วก็ตายยากมันน่าจะรักษาได้ระดับหนึ่งนะแต่ความจริงกายมันรักษาไม่ได้หรอกมันธรรมชาติของมันคือต้องเป็นไปนตามกฎของตรรกะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยสติเลยโยคะอันที่สองธรรมวัดเช้าเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะก็เป็นการตื่นขึ้นมาจิตใจของเรามันกําลังงัวงเงียพอทำมากกว่าเป็นการปลุกให้ตื่นนะปลุกให้ตื่นมาในทางที่ถูกแล้วก็จากที่ห้า จากที่5ห้งห6ืงเช้าหรืวก็นั่งเจริญสติแล้วก็ฟังทมปฏิบัติร่วมกันเพราะในวิธีการของวัฏฏีนี่เราก็ไม่ใช่ว่านั่งฟังทำนิ่งๆน ะ, ะเราจะให้สร้างจังหวะยกมือไปด้วยในะขณะฟังยกมือไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่ให้โฟกัสจิตให้อยู่กับตัวเองให้ชัดเจนเพราะถ้าหากว่าเรานั่งนิ่งๆฟังนะบางทีถ้าเราอินไปกับเรื่องที่พูดถ้าพูดไม่ดีเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่พอใจ สองถ้าพูดดีก็พลอยใจลึกเกินไปสามทั้งพูดดีหรือไม่ดีฉันไม่อยากฟังจิตมันก็จะไปใช่ไหมมันก็โฟกัสจิตไม่ได้ดังนั้นเองจิตของเราเนี่ยสามารถรับรู้ทีเดียวเนี่ยได้หมิตินะเดี๋ยวนี้ทางวัตถุเขาค้นพบได้กี่มิติฮะถึงสี่มิติได้ยังแค่สมิติก็ยังไปไม่รอแล้วนะมิติ แต่ว่าจิตของเราสามารถรับได้ถึงหมิติรับได้ทางไหนบ้างพวกเราเป็นครูต้องรู้เนาะว่ากายของเราจิตของเรารับสิ่งรอบข้างได้ถึงหมิติมิติไหนบ้างถ้าตาของเราจะรับรูปทิ้งที่เราเห็นเนี่ยมันรับทางไหนทางตาถ้าจะรับสิ่งที่เรากำลังพูดก็อยู่เนี่ยเรารับทางไหนทางหูตอนกังวันในเรื่องทานอาหารรู้าอาหารเนี่ยทำด้วยอะไรเนี่ยจะรู้ได้ทางจมูก เราลดไปอย่างไรทางลิ้นอ่าแล้วก็รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงรอบๆตัวเรารับด้วยทางไหนทางกายอารมณ์ด้วยความคิดนึกต่างๆรับด้วยทางใจแล้วก็ซิ i เ e n s i o n นะในการที่จะรับทั้งทั้งหกทางเนี่ยนะนี่ถ้าหากว่าเรารวมทั้งหมดทั้งหกทางโฟกัสให้เหลือ ue, ทางเดียวไปไงโอ้โแคบมากเลยเหมือนไฟฉายนะถ้าโฟกัสพอดีขนาดนี้ ก็เห็นยถ้าโฟกัสขนาดเป็น point ที่เราใช้กับโปรเจคเตอร์เป็นไงมันจะสองหินอะไระั้มก็ไม่เห็นนะนั่นโฟกัสเดียวแต่โฟกัสขนาดไฟฉายพ่อเห็นเพราะฉะนั้นเตีมาวหมิติเนี่ยให้มันรู้สัก2องมิตินี่พอดีถ้ามิติเดียวก็โฟกัสมากเกินไปนะถ้าเป็นไฟก็เรื่องโฟกัสจากไอแมกเนตนะ เ, เลนสวาลเลนนูนมารวมอะไรแสงเพที่ใช่ไหม รวมเปลี่ยนเป็ี่ยนโฟกัสเล็กๆในสิ่มันเกิดการเบิร์นขึ้นมาเบิร์นนิ่งพอยต์ขึ้นมาแล้วทําให้ร้อนถ้ า, าเราโฟกัสจิตอยู่ปัจจุบันจิตเดียวนิ่งๆเนี่ยมันก็จะร้อนมันก็จะออัดขาดเครืองอะไรต่างๆแต่พอเราตัวเทคแอนด์บาลานซ์คือโดนี้ทําสร้างจังหวะไปโดยยกมือไปโดยรู้สึกอืึมพอดีอาจิตไม่ค่อยปรุงแต่งฟุง้งซ่านง่ายแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่ยากในการที่จะตะลอมจิตอยู่กับปัจจุบัน จะเริ่มมีการนั่งฟังร่วมกันด้วยนะตีห้าถึงหโมงแล้วก็เจดโมงก็รับอาหารเช้าแปดโมงแล้วก็เข้าที่ถ้าแปดโมงไม่ทันก็เลดนิดหน่อยไม่เกิน8ดคนช้าที่สุดไม่เกิน8ปดโมงครึ่งเวลาพบกันคนเร็วที่สุดอาจจะมาแปดโมงได้ก็เรียก ว, ว่ามีการ กี่ระยะกันนิดหน่อยเงยครึ่งชั่วโมงเป็นการปรับตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจากแปดโมงรวมปฏิบัติแนะนําอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติคือหมายความว่าพอมาพบกันตั้งแต่8ปดโมงถึง9ก้าโมงเนี่ยเราก็อาจจะแนะนํำวันนี้เราจะปฏิบัติอะไรกันแต่ความจริงช่วงเช้าเราก็แนะไประดับหนึ่งแล้วแต่เวลาลงมาภาคปฏิบัตินะเราอาจจะแน่อีกนิดหนึ่งในช่วง8ปดโมงถึง9ก้ามงจาก9ก้ามงไปถึง11บเอมงเราก็นั่งปฏิบัติอาจจะเป็นบางคนอาจจะยืน อ่าสักครึ่งชั่วโมงนั่งสักครึ่งชั่วโมงเดินแล้วก็วิธีปฏิบัติแบบนี้อนุญาตให้นอนได้ด้วยนะนอนทาวดประ ด, ดิด้วยนะในขณะที่ไม่ไหวแต่ไม่ใช่นอนหลับนะรู้สึนั่งแล้วคงมันปวดหลังปวดเอวดีเขาเอ็นหน่อยกวสามารถเอ็นปฏิบัติได้ด้วยนะฮนะนัในช่วงยืนเดินนั่งนอนร่วมกันละแล้วก็พอสีวิตโมงเสร็จนะก็รับอาหารลงกันประมาณอาหารกลางวันะจากเที่ยงไปถึงเที่ยงครึ่ง พักผ่อนส่วนตัวคนที่มาไว้ที่ไม่อยากพักก็มาปฏิบัติตั้งแต่เที่ยงครึ่งแต่ทุกคนต้องมาร่วมกันบ่ายโมงนะหมายความว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกินบ่ายโมงอย่างเร็วที่สุดก็ประมาณเข้ามาประมาณเที่ยงครึ่งประมาณนั้นเราก็ทิ้งระยะไว้สําหรับคนไม่เหมือนกันบางคนเชา้าบางคนเร็วบางคนขยันบางคนขี้เกียจเราก็ให้เวลาปรับหากันประมาณครึ่งชั่วโมงนะในช่วงพีเรียนนั้นอต่อไปก็ในช่วงบ่าย ช่วงบ่ายนี่ช่วงบ่ายนุ่นทายแอคทิวิตี้จเจริญเดินโจกรมร่วมกันเที่ยงคืงถึ ง, ถงบ่ายโมงเราเดินโจมร่วมกันเพื่ออะเพราะว่าในช่วงนั้นเราทานข้าวใหม่ๆเป็นช่วงที่เรามักจะเป็นยังไงถ้าอยู่ที่บ้านที่ทํางานเทคอนแอปนิดหน่อยใช่ไหมหยิบนิดหน่อยนะเอาหยิบนิดหน่อยแต่ที่นี่เราไม่ให้นิ่งหยิบเราเอาวิธีวเวลาเหยิบมาเป็นเวลายัางไง ปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยวิธีน อ, อ, อวิธีเดินนะเดินจูกลมร่วมกันพอย่อยอาหารได้พอถึงบายโมงมันก็ย่อยย่อยไม่เสร็จมันยังงวงยงเมียยก็เดินต่อไปเรื่อยๆอาจจะเป็นบ่ายโมงครึ่งนะพอบายโมงเป็นต้นไปถึงบายสองนะเป็นเพอร์ซ a นอลไท์แล้วแต่ใครจะเลือกนั่งก็ได้เลือกเดินก็ได้แล้วก็จะมีเวลาสำหรับที่ปฏิบัติข้างเราก็ใช้ข้างล่างข้างบนแล้วก็ที่รสีสีแห่งนะ หนึ่งชั้นบนสองชั้นล่างสามที่ซุ้มใสที่เราเ ผ, ผ่านเมื่อกี้เราเห็นเป็นทางใช่ไหมใช้เป็นที่เดินชงกลมแล้วก็อันที่สี่วันท้ายๆเราอาจจะไปทําในห้องใครห้องมันนะแต่ต้องเป็นที่ไว้วางใจกว่านะว่าจะอยู่ในห้องคนเดียวได้ต้องไม่แอบนอนถนะ้าคนไหนยังไม่น่าไว้วางใจก็จะให้อยู่ข้างนอกอยู่นะคนไหนรู้สึกว่าเข้าไปแล้วคงไม่แอบนอนต้องตั้งใจปฏิบัตินะี่อันนี้จะให้เข้าไปอยู่ในห้องนะวันท้ายเอาแล้วทีนี้ก็จากช่วงนั้นดู ปฏิบัติไปตั้งแต่เนี่ยรุมกลุ่มปฏิบัติบ้างแยกกลุ่มปฏิบัติบ้าง6กโมงจนไปถึงหกโมงครึ่งสำหรั บ, บวันสองวันนี้ก็จะมีการนัดสอบอารมณ์ว่าออวันนี้คุณไปนั่งทําแล้วเป็นไงบ้างฟุง้งซ่านไหมง่วงไหมขี้เกียจไหมเบื่อไหมแล้วแก้อ ย, อย่างไรแล้วก็มาสอบอารมณ์กันนะแล้วพอไปสักวันหลังๆก็ไปนู่นทีเดียวห้าโมงทีเดียวจากห้าโมงก็ไปเลือกไปทําธุระส่วนตัว หกโมงเสร็จก็รับน้ําประละประนะแต่หกโมงหรือหกโมงครึ่งเนี่ยก็เป็นช่วงที่ยืดหยุ่นตรงนั้นครึ่งชั่วโมงผู้วายที่สุดก็มาหกโมงรับน้ำประณนะผู้ช้าหน่อยก็ไม่เกินหกโมงครึ่งพอหลังจากนั้นเราก็จะมีการาศึกษาอาจจะเป็นเสืออะไรนิดหน่อยเช่นเอาของข้เทียนมาว่างครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาทางเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างม า, าสู่ศึกษารวมกันหนึ่งทุ่มก็สวดมนต์ทุ่มครึ่งก็ฟัง ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเหมือนกับตีหกโมงกัเจ็ดโมงแบบเดียวกันคื อ, อฟังศึกษาแล้วก็สอบอารมณ์แล้วก็ไถ่ถามปัญหาใครมีข้อสงสัยแล้วก็มาเคลียร์กันว่าวันนี้ช่วงบา่ายเป็นยังไงนะช่วงบ่ายปฏิบัติเราเป็นยังไงต่างกับช่วงเช้าอย่างไรอันนี้ก็คือตารางเวลาแต่ละวันนะแล้วก็ถึงสามทุ่มตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มไหวไหมพวกเราอยู่ที่บ้านนอนกี่ทุ่มนอนกี่ นอนกี่ทุ่มกี่ยามบางคนก็ตีหนึ่งบางคนตีสองบางคนก็ตีสามพวั้นน่ะแต่อัตมาว่า ด, ดีที่สุดคือนอนไม่ควรเกินสามทุ่มตื่นก็ประมาณตีสี่พอดีสําหรับผู้ใหญ่เรานะมันก็จะไม่งัวงเงียตอนกลางวันอันนี้อัดต่อไปอีกกันเองเนี่ยมีอีกไหมข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของระเบียบนิดหน่อยนะพูดถึงระเบียบอ่าข้อที่หนึ่งมาเลยน ะ, ะเก็บกล่องดวงใจไว้ก่อน ไม่ให้ใจมันฟุ้งออกไปทังอื่นใช่ไหมถ้าโทรศัพท์อยู่ติดตัวเล้เอ้ไขไลน์มาไขเช็คลายเช็คลายเช็คเฟซเช็คอินส a าแกรเช็คเว็บไซต์เช็คอีเมลอะไรก็จะวุ่นวายไปหมดใจแล้วไม่เป็นอันทําอะไรละนะทุกวันนี้เรามีปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยที่5้านะเราขาเก็บไว้ก่อนเพราะฉนั้นแต่บางคนงเออเราลงทะเบียนเก็บโทรศัพท์นะัดโต๊ะลงทะเบียนเลยนะก็ เ, เก็บทุกคนแล้วนะลงชื่อเรียบร้อยแล้ว วันหลังเอามาได้ยินเสียงนุ่งนึ่งนุ่งนนิ่เอ๊ะทำไมเสียงใครก็นั่งคุยคนเดียวแสดงนั่งคุยคนเดียวแสดงไม่ปกติแล้วต้องมีอะไรพิเศษเข้าไปดูใกล้ๆเอาประกุนไม่ใช่นั่งคุย น, นั่งคุยกักยบโทรศัพท์เอ๊ะเขาเก็บเรียบร้อยทำไมตอนเย็นเราก็มาถามกันเอ๊ะเราเก็บโทรศัพท์เรียบ ร, ยร้อยใครยังคุยโทรศัพท์อยู่บอกตรงๆนะคกหกข้าผีศีลนะหนูค่ะเอาวันนั้นเราเก็บแล้วทําไมเราเอามาจากผมเตรียมมา สองเครื่องฉันเตรียมมาสองเครื่องเพราะรู้ว่าอาจารย์จะเก็บโทรศัพท์มันก็เลยเตรียมมาสองเครื่องพราะคนมีสามเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเสพติดนองมากนะอันนี้ก็ก็ลองนะเพื่ออะไรเพราะไม่ใช่ว่าจู่ๆจะทํากันนะเพราะมันมีกรณีตัวอย่างมาเป็นหลายปีหลายปีบางทีเราเมื่อก่อนเราไม่เก็บอะปฏิวัติไปปริมาคนนั่งก็กลิง้งขึ้นมาดูโอ้คุยกันลั่นเลยคนข้างเกิดหงุดหงิดติดอารมณ์กัน หรือบางทีนอนไปทีส่สี่ทุ่มห้าทุ่ ม, มเสียงเข้ามาคนนี้ก็รับโทรศัพท์เสียงลั่นเลยในห้องใครในห้องใกล้กันนั่นไปเป็นอาละวาดนอนอ๋อเป็นอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าหรือบางทีมาได้สักสองวันตั้งใจจะมาเจ็ดวันพอได้สองวันกลับบ้านด่วนนะพ่อเข้าโรงพยาบาลกลับบ้าดุนะแฟนหายไปจากบ้านไปไหนไม่รู้เป็นไงใจปกติไม่ปกติแล้วรีบกลับบ้านแฟนหายไปจากบ้านลูกไปดูลกเฉียวลูกชนจากนั้นม า, มากลับมาด่วนเลยเธอ ลูกตอนนี้อยู่โรงบานเนี่ยนั้นถ้าหากไม่เก็บมันมีเหตุอย่างเนี้บ่อยเข้าไ่อเข้าเลยก็เขาต้องเก็บเพราะมันมีเหตุแล้วก็หลายปีเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกโอ้ท้างนันทําให้นักปฏิบัติของเราไม่เป็นสมาธิเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเขามาขอส่วนบุญเขาก็อยากอาศัยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็ น, เ ป, นเป็นสื่อนะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สององดอันนี้ไม่ถึงกับ ปิดนะงดพูดคุยเสียงดังอาจจะเป็นการรบกวนผู้อื่นเพราะว่าถ้าสมมติเราพูดคุยกันเสียงดังพอได้ยินสองคนโอเคละถือว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่คนอื่นกําลังนั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่แต่ดีสินนิดนึงนิดนึงแล้วมันมันไม่เหมือนเสียงคนเนี่ยมันไม่เหมือนเสียงนกเสียงกาไม่เหมือนเสียงน้ําตกไม่เหมือนเสียงลมนะใช่ไหมมันแปลกถ้าเป็นเสียงคนเราอยากฟังเลยเพราะอะไระเพราะเราฟังรู้เรื่อง แต่นกห น, น, นูปูปี๋มาลองไปเราก็รู้สึกไม่รบกวนเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องก็เหมือนเหมือนว่าได้ยินนะนะตอนนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะอันนี้ก็ออกไปนอกสถานที่บางคนอาจจะขอไปซื้อเนื้อหน่อยเข้าไปนั่นอันนี้ก็บางทีก็ออกไปข้างนอกอันนี้ก็ได้รับอนุญาตนะกรณีที่มีไม่มีชุดขาวก็โอเคอันนี้ก็ทุกคนก็เรียบร้อยนะขอให้เป็นชุดที่สบายๆนะหลวมๆอันนี้ก็ข้อหก เรามีโต๊ะน้ำชากาแฟเพียบนี้ขอให้เป็นเครื่องดื่มก็พอเนาะไม่ต้องมีกาแฟนะอะถ้ามีกาแฟแล้วก็มันจะมาให้ตื่นเพราะคนที่ดื่กาแฟมาก่อนเพราะมาปฏิบัติหง่วงมากมากเลยไม่ได้กินกาแฟเพราะว่ากาแฟมันเข้าไปทําให้ตื่นให้กระตุ้นให้ตื่นมันมีคาเฟอีนมีอะไรอยู่แต่มันก็เป็นสิ่งเสพติดะเล็กๆนะก็คนจะงดไปก่อนในช่วงนี้แต่ก็มีน้ํา ขิงมีน้ำอะไรซีเรียลอยู่ตรงนั้นเราก็ท า, านได้นะแก้หิวได้ก็อันนี้ก็ข้อเจก็เป็นปกติธรรมเนียมพราอพวกเราเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยยังไงก็คงจะในข้อนี้ขอเป็นนักเรียนสะคข้อนได้ไหมได้เนาะสมมติหลวงพ่อเป็นครูก็แล้วกันนะเป็นครูเราพวกเราเป็นนักเรียนดูแต่ว่าคนที่อบรมยากที่สุดมีคนอยู่สองจำพวกใครรู้ไหม หนึ่งพระรวมยากสองครูเพราะทั้งคนสองอย่างพวกนี้พร้อมที่เป็นเจ้าลัทธิได้เสมอนะี่ยตั้งลัทธิสอนได้เลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีทิฏฐิมานะสําสคัญผิดว่าเราเป็นนะอันนี้ธรรมดาถ้าคนยังไม่ได้ฝึกวิปัสสนาเนี่ยก็ไม่สามารถจะถอนอัตตะมานะทิฏฐิตัวนี้ได้ก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเรามาเจริญสติ ให้ถูกต้องแล้วมันก็จะลดพวกนี้ลงเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งแรกที่สุดที่เป็นอุปสรรคต่อพระนิพพานข้อแรกที่สุดคือฉันใช้คำว่าสักกายทิฐิคือสําคัญตนว่าเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นเมื่อมีอะไรมากระทบเข้ามันก็จะไม่รับเพราะมันมีอัตตาตรงนั้นมันปิดอยู่นะดังนั้นเองเราก็พยายามที่จะเปิดออกมาเอามาไปถามกรรมฐานขั้งแรกกับหลวงพ่อเทียนท่านเอกขอขวดน้ามาสาที่สะขวดมีไหม ไปถามกรรามฐานครั้งแรกหลวงพ่อเทียนท่านตอบแบบเซนเลยนะก็คงจะสังเกตเห็นว่าอาตมาเป็นคนอย่างไรอะท่านก็เลยใช้ก็เลยใช้ตัวนี้คือสมัยก่อนมันเป็นขวด น, น้ําแบบไ อ, ไอโพลาริดแบบสีขุนๆ น, นะเอาขวด น, น้ําก็ได้นะไอะที่ยังไม่ได้เปิดก็ยังดีหลวงพ่อจะได้ฉันน้ำไ ม, ไม่เคยมีอนนั่น้ำมาตั้งออนี่น้ำอยู่ตรงนี้เอฟขอตั้งน้ำนะ ไม่ต้องไปไกลจันเอกเขายืมมาก่อนก็ได้มาเอามาสาธิตที่เฉยขอโทษด้วย <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> คืออยากจะให้เห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญอย่างไรนะเรื่องนี้สำคัญอย่างไรว่าไปถามเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมาเคยอยู่กับงพ่อพุทธธาสเนาะไปหาท่านตั้งแต่ปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็ออกมามาอยู่กับหลวงพ่อจะคุณ ชุดุกวัดมหาธาตุเนาะท่านพบท่านเหล่านี้ท่านพูดถึงเสมอว่าคนไหนที่ไม่มีความเข้าใจหรือไม่รู้เรื่องของรูปกับนามกายกับใจเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะไปปฏิบัติวิปัสนาไม่ได้มันก็เป็นคุช่นอยู่ในหัวมาตลอดอะว่าถ้าไปเจออาจารย์คนไหนแล้วดงถามปัญหานี้ก่อนอะไหวไหมคุณครูของเรานงา่วงแล้วยืดอกแรง หายใจลึกๆเพราะคนไหนนั่งฟังหลวงพ่อง่วงเลยถือว่าอาการหนักมากนะฮะหายใจลึกๆดมตากว้างๆพอไปถามหลวงพ่อเทียนเออหลวงพ่ออารมณ์อะไรรูปนามกายใจเป็นอย่างไรท่านไม่ได้ตอบเลยนะท่านยกขวดอันนี้มาแล้วก็เปิดฝาออกต้องถามคุณครูแหละว่าหลวงพ่อเปิดฝาออกแล้วหลวงพ่อยโยนขวดนี้ทิ้งนี่เกิดอะไรขึ้น น้ำหกเพราะอะไรเพราะไม่มีฝาใช่ไหมนี่เสร็จแล้วน้ำก็ก็ปิดอ่ะทีนี้โยนใหม่เมันไม่หกละทีนี้ถามว่าเพราะอะไรอ่ะมีฝาหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกว่าดังนั้นคุณไปหาตัวนี้มาไม่ได้อธิบายเลยนะ มาใช้เวลาหานานเท่าไหร่รู้ไหมกูจะเจอตัวเนี้มันมีหลายตอบได้หลายในแยะมากเลยเพราะหนึ่งเราเป็นประเภทมาฟังแล้วไม่เปิดใจมีตั้งแต่คําถามข้างในใจมีแต่คําถามแต่ไม่เปิดใจรับคําตอบเพราะนั้นไม่เปิดใจรับดื่มน้ำได้ไหมไม่ได้นะฮะสอง ถ้าเปิดแล้วไม่ปิดได้ไหมก็ไม่เกิดประโยชน์ทานน้ำไม่ได้อันนี้ในมิติที่หนึ่งนะรู้จักเปิดในเวลาที่ควรเปิดรู้จักปิดในเวลาที่ควรปิดเพราะนั้นในทุกคนมีอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่ามีวิปัสสนามันจะรู้ว่าอะไรคนเปิดรับอันไนคนปิดนะมันจะรู้อันที่สอง ที่ได้ในเวลาต่อมาก็คือว่าหลวงพ่อเทียนตอบนะ น, นี่นะท่านบอกว่าในคนเราเนี่ยแสวงหาความสุขแสวงหามรรคผล น, ผนิพพานสิ่งที่ดีที่สุดที่เรียกมรรคผลนผิพพานเนี่ยบอกว่าทุกคนมันมีอยู่แล้วทุกคนมีพุทธะมีมรรคผลนผิพพานอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักเวลาอันนี้มีฝาก็จริงนะแต่เวลามี ลักษณะแค่นี้เวลาชนล้มเนี้ยเป็นไงยังหกอยู่ใช่ไหมทั้งที่ที่ป so, <PS iembre> ิดฝาแล้วทำไมตัวหกมันขาดอะไรขาดเกลียวคอขวดมันมีกี่เกลียวสองหรือสามมันสามนะมันมีสามเกลียวนั่นหมายความว่า ในสามเกลียวตรงนี้อันนี้คือท่านบอกเวลาต่อมาว่าอันนี้คือตัวสติไปหาตัวนี้คือไปหาสติมาแต่สติที่มันจะเกิดประโยชน์นั่นต้องมีสามเกลียวคือมีอะไรมีศีลมีสมาธิมีปัญญาล็อกอยู่ถามว่าทุกคนมีสติไหมมีแต่ว่าไม่มีศีลม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเป็นตัวเราเรียกว่าสติโดยสัญชตาตญาณทุกคนอะตั้งแต คนรู้หนังสือไม่รู้หนังสือคนฉลาดคนโง่คนก็มีสติเหมือนกันหมดแต่เรียกว่าสติแบบสันชาติยานคือไม่มีเกี่ยวข้างในล็อกดัง น, นั้นเราจึงมาปฏิบัติภาวนาให้เอาตัวนี้มามนเดิมแต่เรามาแล้วมาสร้างตัวศีลก็คือระเบียบกติกาต่างๆที่เรามีอยู่นะเกี่ยวที่หนึ่งสองเวลา มาปฏิบัติเนี่ยจิตของเราจะต้องตั้งตั้งใจอยู่กับปัจจุบันให้มากแต่ถ้าจิตของเราไม่ตั้งอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะวิ่งวุ่นออกไปข้างนอกทําให้เราเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดความอึดอัดลาคาญไม่สนุกสนานจิตแสดงว่าจิตเราออกละแต่กลับมาอยู่ปัจจุบันเรียกว่าสมาธิล็อกเอาไว้คือมาอยู่กับปัจจุบันทำอย่างนี้ให้อยู่ปัจจุบันเราก็จเจริญสติโดยวิธีการหลับตาขึ้นไว้ลืมตาขึ้นไว้เดินจูงมาแล้วก็แต่ขอให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันนะ อันลักเกี่ยวที่สามให้มีอะไรมีปัญญามีปัญญาเพื่อจะรู้วิธีว่าจะให้เกลียวเนี่ยมันแน่นได้อย่างไรแล้วก็จะเปิดตอนไหนและจะปิดตอนไหนคอนโทรมีคอนโทรเลอร์ด้วยว่าเนี่ยสามารถควบคุมน้ำดังนั้นถ้าหากว่าน้ำมันปิดแน่นแล้วเมื่อปิดแน่นเราจะถูกอะไรมาชนบ้างชนทั้งหทางนะอะไรมาชนบ้างรูปมาชนปั๊บ เกิด ค, ค, ค, ค, ความพอใจไม่พอใจล้มมาทางนี้ใช่ไหมเสียงมาทนปั๊บชนปั๊บเกิดความพอใจไม่พอใจล้มมาทางนี้กลิ่นมาชนปั๊บเกิดความชอบใจไม่ชอบใล้มไปทางนี้รถมาชนลิ้นปั๊บเกิดความชอบใจไม่ชอบใจล้มมาทางนี้สัมผัสมาชนปั๊บเกิดความชอบไม่ชอบใจล้มมาทางนี้ความนึกคิดมาชนปั๊บเกิดความพอใจไม่พอใจล้มล้มวันละหลายๆครั้งการล้มของจิตมันแสดงมาทางไหนเคยสังเกตไหมเคยจิตล้มเหลวไหม ล้มเหลวจากปัจจุบันล้มจากปัจจุบันปัจจุบันเหมือนกับคนยืนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่นับว่าสัตว์เพราะมันไปขนานกับอะไรมันล้มไปกับโลกแนวแนวเส้นลุงใช่ไหมของเราเป็นเส้นอะไรเส้นแวงในลักษณะตั้งเพราะฉะนั้นลักษณะของที่เกิดมาคนท่านให้มาอยู่เป็นผู้ ตั้งตัวตรงไม่ให้ล้มแต่ถ้าล้มบ่อยๆเราก็จะกลายเป็นอะไรขนานกับโลกเพราะฉะนั้นคําว่าเดลิชานเนี่ยมันมาจากภาษาบบลเยี่ติริยังติริยังแปลว่าขวางไปแนวขวางถ้าคนขวางกับคนตรงเนี่ยต่างกันไหมคนตรงถ้าคนไม่ตรงก็จะกลายเป็นคนคนขวางคนขวางนี่เองเขาเรียก เป็นภพภูมิของจิตของเราเป็นภพภูมิของสัตว์ถ้าคนตรงจิตของเราเป็นภพภูมิของมนุษย์อ่าแล้วถ้าคนที่ตรงแล้วก็สูงขึ้นเป็นภพภูมิของเทวดาถ้าตรงแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นภพภูมิของพรหมสูงขึ้นจนพ้นการดึงดูดของบรรยากาศเป็นภพภูมิของอริยะไปเรื่อยๆนะดังนั้นคําว่าคนก็คือมันปนกับหลายอย่างเอง ผกันหลายพบภูมิอยู่ในนั้นทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายต่ำา4ทั้งฝ่ายสูงสแล้วก็ทั้งฝ่ายพ้นขึ้นไปจ้าโลกอีก4เขาเรียกเป็น16พบภูมินะอันนั้นเองเราก็จึงอยากจะให้พวกเราได้มาศึกษาทางนี้นะอันนี้ จ, จบแล้วนะอันสุดท้ายที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทำให้สำเร็จได้ต้องมีสข้อนี้ทุกคนว่าพร้อมกันเสียงดังๆหน่อย จริงจังตังงง้งใจต่อเนื่องถูกต้องอ่าคำสี่คำเนี่ยมันมาจากคำห้าคำที่ว่าคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติคุณสมบัติจริงจังก็คือมีศรัทธาอ่ามีศรัทธาแล้วก็ตั้งใจมีสมาธิ ต่อเนื่องมีความเพียรและมีสติและทำได้ถูกต้องมีปัญญามีคำว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของนักปฏิบัติห้าอย่างย่อเหลือสี่ย่อว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องถ้าไม่จริงจังตั้งแต่แรกเนี่ยใจก็ไม่ตั้งใจมันก็ไป หัวใจไม่ตั้งแล้วทําอะไรมันก็ไปต่อเนื่องทำอะไรไม่ต่อเนื่องสักพักมันก็คิดสักพักก็เบื่อสักพักมันคือเกียดสักพักมันก็ง่วงสักพักก็หาเรื่องไปทางอื่นละนี่หมายคว่าความจริงจังตั้งใจมันไม่พอความต่อเนื่องไม่พอเมื่อความต่อเนื่องไม่พอมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนเราตั้งหม้อคุ้งข้าวนะตั้งลงไปจริงจังตั้งลงมีไฟมีน้ํามีหม้อจริงจังแล้วก็ จริงจังก็ตั้งใจตั้งให้ถูกหม้อกับนั่นแล้วต่อเนื่องระยะเวลาที่หม้อกับเตาต้องต่อเนื่องแล้วถูกต้องเพราะว่าเราใส่น้ําเท่าไหร่ใส่ข้าวเท่าไหร่มันถึงจะพอดีของมันมันจะถูกต้องแล้วก็การเวลาระยะที่ต้องการถูกต้องไหมว่าข้าวหม้อ น, นี้ต้องการเวลาครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงที่จะสุกสมบูรณ์ก็ถูกต้องตามนั้นดังนั้นเองในทั้งหมดนี้ไม่ใช่ เป็นระเบียบข้อบังคับนะแต่เป็นกติกาว่าถ้าเราอยากจะได้บรรลุผลสําเร็จเนี่ยในวิธีการแบบนี้ก็ต้องทําแบบนี้<ม>นะเพราะฉะนั้นหนังหบทนี้ที่มานํากล่าวมาในเรื่องของตารางและกติกาเอาแค่นี้นะต่อไปนี้เราจะได้รู้จักกันพร้อมไหมแนะนําตัวเองนะเริ่มจากผู้อาวุโสก่อนอาจารย์พราะเรายังไม่รู้จักกันนะวันนี้ขอรู้จักหน่อย